5ปีก่อนได้ไปประชุมที่ประเทศอินเดียเป็นการประชุมกลุ่มเล็กๆในหมู่ชาพูดจากหลายประเทศพม่าอินเดียอินโดอเมริกาอังกฤษสถนะานที่ประชุมก็เป็นวัดที่เบตผู้ก่อตั้ง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 ไปประชุมก็มีเวลาว่างก่อนแว้กันไปเยี่ยมสำนักสามเมนรีนี่กายทิเบตอย่างเหมือนกันอยู่อีกเมืองหนึ่ง ใ, ใกล้ๆเจ้าสำนักนี้เป็นสา ม, เมัเนรีชาวอังกฤษแต่อายุมากแล้วนะประมาณเจ็ดสิบลท่านบวช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 บวชไปได้สัก10ปีนะอายุ3ามสบสาก็บำเพ็ญทำขั้นอุกฤตนะนะขึ้นภูเขานะไปปลีกวิเวกอยู่ในถ้ำถ้ำนี้ก็ไม่ได้ใหญ่นะขนาด6กคู 10, นสะิเนี่ย6กคูนสิฟุตนะนะเล็กๆ เ, เล็กกว่ากุฏิอ่านะพระศะอีกนะไปอยู่คนเดียวนะ เขาก็สูงนะประมาณสามพันกว่าเมตรเกือบสี่พันเมตรสูงกว่าดอยอินทนนท์ต้องกิโลกว่าดอยอินทนนท์แก็สของพันกว่าเมตรแต่ว่าสถาปีวิเวกของเทนซินพามนี่สูงกนั้นอีกนะเพราะฉะนั้นหน้าหนาเนี่ยมันก็จะเต็มไปได้วยหิมะก็เก็บตัวอยู่ในในถ้ำคนเดียวนะอาหารนี่ก็มีคนเอามาส่ง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 แต่ว่าเธอก็ไม่กลัวนะแล้วก็ปรีวิเวนี้ก็เรียกว่าทำความเพียรขั้นอุกฤษมากตื่นตีสามนะทำสมาธิสามชั่วโมงจนถึงหโมงแล้วก็ทำต่ออีกแโมงถึง11ดโมงเนะที่ยงก็ถึงค่อฉันฉันมือเดียวบ่ายสองสมาธิต่ออีกสามชั่วโมง แต่ละสองทุ่มก็ต่ออีกสามชั่วโมงเป็นสี่จนถึงห้าทุ่มให้วันหนึ่งเนี่ยปฏิบัติในรูปแบบหนึ่งสิบสองชั่วโมงมีเวลานอนเจ้าแค่สี่ชั่วโมงยังมั้งแล้วก็ไม่ได้นอนอาราบกับพื้นนะเพราะมันไม่มีที่จะนอนนะต้องนั่งหลับนะเลื่อในสัต์ชิกถ้าลองนนะึกภาพนคนที่อยู่ในถ้ำนะแทบจะไม่ออกไปไหนเลยนะ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 นับถอยหลังรนะอวันศึก น, นี่เทนเซนนี่ปฏิบัติเนถึงสิบสองปีแต่ว่าปฏิบัติได้ไม่ครบนะอุกฤษสามปีสามเดือนสามวันเนี่ยไม่ไม่ครบเพราะว่าตำรวจอินเดียมามาตามบอกว่ า, าวีซ่าหมดอายุแล้วมันจะไม่มือาอยุได้งไงนะ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 ก็มีคนถามเธอว่าเนี่ยเป็นยังไงนะอยู่ในอยู่ในถ้ำเนี่ยคนเดียวเนี่ยสิบสองปีได้เห็นสีเห็นแสงมีธลิตปฏิหารอะไรไหมเธอก็ไม่พูดอะไรมากก็พูดแต่เพียงคำเดียวว่าไ ม, นะไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยนะไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยแม้แต่วันเดียวอันนี้น่าน่าทึา่งนะเรียกว่าทั้งปีทั้งชาติอยู่ในอยู่ในถ้ำนะไม่เจอผู้คน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 กายไปอันนี้เวลาพวกเราเนี่ยนะรู้สึกท้อแท้การปฏิบัติรู้สึกเบื่อนา ย, น, ยนะลองลองนึกถึงคนอย่างเทนซินพาวโมมบ้างนะเรียกว่าให้ความความลำบากของเรานี่มันมันเป็นขี้ผ ง, ขงเขาเลยนะแต่นั้นก็ทำนะด้วยความด้วยความศรัทธาแล้วก็มีฉันทะนะพอมีฉันทะก็ทำให้เกิดความเพียร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 ให้ทำอะไรซ้ำๆยีสิบนาทีก็การเป็นทรมานแต่พอทําทไปทําไปมันก็ทําได้นะทำได้ทั้งวันเลยก็ได้แต่มันต้องเริ่มต้นจากใจนะใจที่มีความเพียรและความเพียรเกิดขึ้นได้เพราะมีฉันทะเคยไลฟ์ฟังแล้วนะาชาวญี่ปุ่นที่ทําเทมปุระเนี่ยจนกระทั่งคนยกย่องมาเป็นเซียนนะหรือเป็นเทพเจ้าเทมปุระนะ ก็ทำเทมปุระวันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เช้าจดเย็นเช้าจดเย็นทอดเทมปุระอยู่นั่นแหละนะไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยนะทำมาสามสิบสี่สิปีแล้วมั้งตั้งแต่หนุม่มจนกระทั่งอายุหกสิบก็ยังมีความสุขกับการทำการทอดแล้วก็พยายามทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งทั้งนที่ชีวิตเขาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตื่นเช้ามาไปทำงานทอดเทมปุระ เชา้ากลางวันเย็นค่ํากลับบ้านตื่นเช้าขึ้นมาอ่ะทํางานต่อชีวิตนี่ดูเหมือนเครื่องจักรนะแต่ว่าข้างในมีความสุขพ่อมีฉันทะอย่างเช่นสิ้นพาวโม่ก็เหมือนกันนะอยู่สิบสองปีนี่เธอก็มีความสุขมากเดี๋ยวจะบอกว่าเนี่ยปีสุดท้ายเนี่ยรู้สึกมันเร็วมันกับแค่เดือนเดีนเนยวเองนะทั้งที่มันก็ซ้ํำซากกันสามรหกสิบห้าวัน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 แม้ว่ากิจวัตรจะเหมือนเดิมวิเ ท, ทนเซนเนี่ยน ะ, ะก็พอใจนะอยู่การอยู่การปฏิบัติปีกวิเวแต่ตอนหลังเนี่ยทาระละมะน ะ, ะชวนให้แนะนำให้ออกไปสู่โลกภายนอกสู่โลกกว้างสหรับหลายคนโอ้ยการที่ออกไปสู่โลกกว้างนี่เป็นเรื่องสนุกสนานนะแต่เทนซซนไม่เอานะอยากจะอยู่อยากจะเก็บตัวปีกวิเว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 ข้างนอกเนี่ยมันมีอารมณ์ที่มันสามารถจะกระตุ้นให้เราหลงให้เราลืมตัวทั้งเย้ายวนให้อยากได้ทั้งยัวย่วยุให้โกรธขัดเคืองใจหงดหงิด ห, หากว่าเราอยู่ที่นี่เนี่ยมีความงดหงิดมีความขัดเคืองใจนะหนึ่งส่วนเนี่ยข้างนอกเนี่ยนะมันจะมีสิ่งกระตุ้นเราให้เกิดความงดหงิดขัดเคืองใจเป็นทุกข์แสบสา ย, สายฟุ้งซ่านเนี่ยสิบเท่าก็ว่าได้